ยาซีเรียตเรื่องความโลภไม่สิ้นสุ ด, ส ด, สดมีเทวดาองค์หนึ่งเหาะลงมายังเมืองมนุษย์ เพื่อต้องการค้นหาบุคคลที่ไม่มีความโลภและสละแล้วซึ่งกิเลสความอยากได้ใครมีในสิ่งต่างๆเมื่อถึงโลกมนุษย์แล้วเทวดาได้แปลงกายเป็นชายชาราและเดินตรงไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งและเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่คนเดียวชายชาราจึงตรงเข้าไปหาและวางก้อนหินขนาดหัวแม่มือ ลงตรงหน้าชายหนุ่มพร้อมใช้นิ้วชี้ของท่านชี้ก้อนหินนั้นและแล้วหินก็กลายเป็นทองคําเหลืองอลามในทันทีเอาข้าให้เจ้ารับไว้สิเดี๋ยวข้าจะไปทุระต่อชายชราพูดแล้วก็หยิบทองคํายื่นส่งให้แก่ชายหนุ่มแล้วก็เดินจากไป ชายเชราเดินลับหลังมาได้สักครู่ก็เห็นชายหนุ่มคนเดิมวิ่งตามมาพร้อมกับพูดอย่างระล่ำระลักเชิงขอร้องว่าคุณตาครับกาุณาช่วยชี้หินก้อนนี้ให้ผมหน่อยได้ไหมครับพูดแล้วก็วางก้อนหินขนาดใหญ่ลงตรงหน้าเทวดาที่ปลอมตัวมาข้าไม่ชี้ให้เองหรอกเพราะเอง มันเป็นคนโลภมากพูดแล้วชายชาราก็เดินจากไปต่อจากนั้นชายชาราก็เดินเข้าไปยังหมู่บ้านอื่นๆแล้วก็ทำเหมือนเดิมทุกครั้งที่ส่งหินทองคำให้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหนุ่มสาวลุงป้าน้าอา่าปู่ย่าตายาย ทุกคนจะต้องตามมาขอร้องให้ชายชาราชี้ก้อนหินโตกว่าเดิมให้เทวดาที่ปลอมเป็นชายชาราเห็นแล้วรู้สึกหมดกำลังใจและคิดว่าคงจะหาใครสักคนที่เป็นผู้ไม่ลบโมโทสัรในมนุษย์นี้ไม่ได้เป็นแน่แท้คิดจะกลับสู่สวรรค์แต่เพื่อให้มั่นใจจึงน่าจะลองดูอีกสักคน เผอิญเหลือไปเห็นพระฤาษีตนหนึ่งกําลังนั่งบางเพ็ญตะบะใต้ต้นไม้จึงเดินตรงเข้าไปหาพลางเอาก้อนหินวางไว้ตรงหน้าแล้วใช้นิ้วชี้ก้อนหินนั้นให้เป็นทองคาและพูดกับฤาษีว่าข้าแด่ท่านผู้ทรงศีลข้าขอถวายหินทองคำก้อนนี้แด่ท่าน อาตมารับไว้ไม่ได้หรอกจงเอาคืนไปเถิดพระฤษีตอบพร้อมสายหน้าชายชาราจึงนำเอาก้อนหินขนาดเ ข, ขื่องกว่าเดิมมาชี้ให้เป็นทองคาแล้วถวายแด่ฤษีคำตอบที่ได้รับก็ยังคงเหมือนเดิมคืออาตมารับไว้ไม่ได้หรอกจงเอาคืนไปเถิดแม่ชายชารา จะนเอาก้อนหินขนาดใหญ่ซักเท่าใดก็ตามมาชี้แล้วส่งให้ก็ได้รับคำปฏิเสธทำให้ชายชาร า, ามีกำลังใจขึ้นมากคิดในใจว่าพระฤาษีตนนี้แหละคือผู้ไม่โลภเป็นแน่แท้ก่อนที่ชายชาราจะจากไปด้วยความสงสัยจึงถามพระฤาษีว่าเหตุใด ท่านจึงไม่รับหินทองคําเหล่านี้ไว้ท่านไม่อยากได้หรือใช่อาตมาไม่อยากได้ทองคําเหล่านั้นหรอกพระฤาษีตอบแล้วหยุดอยู่ครู่หนึ่งพร้อมกับกลืนน้ำลายดังเอือ้อแล้วจึงพูดต่อแต่อัตมาอยากได้นิ้วที่ชี้หินนั้นมากกว่าเทวดาซึ่งปลอมเป็นชายชารา ได้ยินพระฤราษีพูดดังนั้นถึงกับนิ่งอึง้งแล้วก็เดินหนีไปความโลภของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดคือมนุษย์ไม่มีความพออยากได้โน้่นได้นี่อยู่ร่ำไปได้อย่างโน้น่นก็อยากจะได้อย่างนี้อีกจึงมีคำกล่าวว่าแม้นว่าฝนจะตกลงมาเป็นเงินเป็นทอง มนุษย์ก็ยังไม่พอใจอยู่นั่นเอง